ความรู้ของคนผ่านพระพุทธภาษิตความรู้เกิดขึ้นแก่คนผ่านเพื่อเป็นโทษแก่ตัวเขาเองย่อมกำจัดความดีของคนผ่านนั้นและทำให้ปัญญาของเขาตกไปอธิบายความอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ที่คนผ่านย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนผ่านนั้น และคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนผ่านยอมนําวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศีลธรรมได้คุ้มครองไว้มิให้คนมีวิชาฮึ่เขิลลืมตนเพื่อให้เขากระทําในสิ่งที่ควรทําเว้นในสิ่งควรเว้นคนผ่านมีความรู้ขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นแม้แต่มารดาบิดาของตน ไม่ต้องพูดถึงญาติมีตรแะคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เยียบย่ามทาลายให้มนีนั้นเสืมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนเหมือนบุรุษดีดกรวดอันเป็นบุพกรรมของสันติกูตะเปตคือเปตที่คอนเหล็กหกหมืนตกลงบนศรีษะมีเรื่องย่อดังนี้ พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณนะเวรุวันเมืองราชฤก์เรื่องเบื้องต้นเหมือนกับเรื่องที่กล่าวผ่านมาแต่ในเรื่องนี้พระมหาโมคลานะได้เห็นเปลืที่ค้อนเหล็กหกหมื่นอันไฟลุกโพรงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปลื น, นั้นศีรษนที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะแรงกรรมพระศาสดารทรงสัตด้วยคํำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปลื น, นั้นแล้วเหมือนกัน สมัยตัดสรุปใหม่ๆที่โคนโพแต่ไม่ทรงบอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อและจะเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นพิสูจน์ทั้งหลายไข่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาตรัสถเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในกรุงพระนสีมีบุรุษเปรียกคนหนึ่งสมเด็จวิชาการดีดกรวดคือมีความแม่นยำชํานาญในการดีดกรวดมากจะให้ไปถูกอะไรหรือดไีไปไหมให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจช่างฝีมือดีแกะสลัก เขานั่งใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกพวกเด็กขอร้องให้เด็กกวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปมา้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของพวกเด็กได้ของเที่ยวของบริโภคจากพวกเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชวุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไสรนั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปรีย้ยวไว้ที่ย่านไทรแล้วหนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่คนไทยใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรีย้ยว ดีดไว้ประกดแย่สายประเนธทรงแงงนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทํารูปเหล่านั้นไว้ทรงสับว่าบุรุษเปรี้ยดีดกรวดไว้ให้เป็นรูปต่างๆรับสั่งให้หาบุรุษเปรี้ย น, นั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคาเขาก็พูดเสียมากมายทําให้เราเดือดร้อนลําขานเธอพอจะดิดมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตในขณะที่เขาพูดได้หรือ บุรุษเปรี้ย์ทุนรับว่าได้แล้วไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้กันบ้านแล้วเจาะรู้ไว้หน่อยหนึ่งพอมูลแพะรอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในม่านพอปุโรหิตอ้าปากทั้งหนึ่งบุรุษเปรี้ย์ก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้อนหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุรุษเปรีย้ยจึงเขยา่าม่านเป็นเชิงทุลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่า อาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรๆของท่านมาได้เล ย, เลยท่านพูดจนมูลแพะเต็มปากแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดปุโรหิตเกอร์เขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะอาศัยศิลปะของบุรุษเปรียจึงได้พระราชาทานของอย่างละแปดแก่เขามีช่างแปดมาแปดเป็นต้นพระราชาทานบ้านสวยสี่ําบลในสีทิศแห่งเมืองพระณสี อมาผูุสอนทำแด่พระราชาสรางความนั้นได้จึงกล่าวว่าศิลปะอย่างไรอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จงดูการดดกรุดของบุรุษเปี้ยนนั้นเถิดทำให้เขาได้บ้านสวยสีต่ตำบลในทิศทั้งสี่อมาตผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปี้ยได้แล้วเพระวิชาดีกรุดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีกรุฎบ้างแต่บุรุษเปี้ยไม่ยอมสอนให้ แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ่อนวอนอยู่บ่อยๆและยอมตนลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุรุษเปรียดใจอ่อนคิดว่าบุคคลผู้นี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะสอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสาเร็จเขาจึงหลาอาจารย์จะไปทดลองศิลปะภายนอกบุรุษเปรียดบอกว่าอยาทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของ เช่นโคเป็นต้นถ้าไปดีถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับหนึ่งร้อยถดีถคนตายจะถูกปรับหนึ่งพันจะทดลองศิลปะจงมองให้ดีหาคนที่ไม่มี ม, มารดาบิดาเป็นต้นเขาเห็นพระปฏิเจกพพระพเจ้าพระนามว่าสุเนตตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าในช่องหูของท่าน กรวดเข้าทางช่องหูข้างขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกเขเวทนาได้เกิดแก่ท่านหรือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรนิพานที่บารรณศาลาชาวบ้านไม่เห็นพระประเจกุพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บารรณศาลาเห็นท่านปรนิพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอะไรรักบุรุษดีกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจําได้จึงกล่าวว่า ราดีกลวยเข้าในหูพระปัเ จ, จกพรพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบดังนั้นจึงโบยบือรุษนั่นถึงตายเขาเกิดในอเวจีนานและมาเกิดเป็นสติกุตเปรต ด, ด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องให้จบแล้วจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนผานเพื่อพิฆาตคนผานนั่นเองดังนี้แล้วตรัส พระคาถาว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชาญติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแถวต้น